บทภาชนีติกะสังฆทิเศตเจ็ดร้สิบสากรรมท athletes, um. e aves, Listen, sure. ี่ทำถูกต้องพิกษุนีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศตกรรมที่ทำถูกต้องพิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังคาทิเศตกรรมที่ทำถูกต้องพิกษุนีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละกต้องอบัตสังคาทิเศตติกะทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกษุนีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกษุนีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกษุนีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ